ก็ขอมโนทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนว่าเราจะทำใจให้ศรัทธาเหมือนพระพุทธเจ้านะั้ทรงระชนอยู่ได้ไหมได้ไม่ได้อันนี้ถือว่าประมาณอันนั้นเป็นแดนหลักเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญต้องไปไหม ตรงนั้นไปเนะืะเว้นไว้แต่ไม่สามารถจะไปได้ถ้าไม่สามารถจะไปได้นั้นก็อยา่างได้สามารถจะไปได้ควรไปไหมควรควรควรอย่างนี้ตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้นะใครใครไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบูชาพระเจ้าสาวกของพระเจ้าผู้ก้าวล่วงทำเป็นเครื่องเนิ่นชา้า ผู้ข้ามจะความโศ ค, ความร่ําไรลําพันได้ว่าบุญะมีประมาณเท่านี้ฉะั้นใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาบุคคลเช่นนั้นได้ผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภยัยแต่ที่ไหนว่าบุญมีประมาณเท่านี้ว่างั้นนะในคําสอนท่านใช้คําว่าจตุนนําปิจทีปานังอิสรังโยทการะเยเอกิสาปูชนาเยตังเอกรังนาคนาคติโสระสิงบอกว่า การที่บุคคลในโลกเนี้ยคลองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะ่ะบุญของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งการบูชาเอาแยกยังไงสิบหกแยกบุญของพระเจ้าจักรพรรดิเอาเป็นสิบหกนะบักสิบหกเี่ยวหนึ่งสองสามสีห้าสิบหกเอาบุญของพระเจ้าจักรพรรดินะที่ปกครองทวีปทั้งสี่ คือชมพูทวีปอุตรลักุรุทวีปปุพะวิเทหาทวีปอัปรัโคโยานทวีปในทวีปต้งสี่แล้วก็ทวีปน้อยใหญ่สองพันวอนเว่าเอาอย่างเอาพระเจ้ามันทาตุราชเนะี่ยที่พระเจ้าที่ท่านอาจารย์มีชัยบอกว่าตบมือสามครั้งอะ่ะฝนกัหาปณะล่วงลงมาจากฟ้าเนี่ยคนมีบุญขนาดนั้นนะเอาออกไปแห่งนอกช่วยตอบหน่อยดิจะล่วงไหมเนี่ยอะไรจะล่วง ตบร้อยครั้งก็ไม่ร่วงคนตอบร่วงก่อนเนี่ยนะเหนื่อยก่อเลยนั่งหมดแรงตรงนั้นนะ่ะเพราะบุญเราไม่มีแต่เพราะเนี่ยคนมีบุญตบเนี่ยผลร่วงมาได้เป็นไปได้คนมีบุญเนะี่ยคิดก็มาแล้วใช่ไหมเออเราอยากทดลองทานกุศลให้ทานมากๆก็ลองคิดดูทดลองคิดให้เป็นบุญนะอย่าคิดดีโลภะนะพอคิดไม่มาแสดงบุญไม่ไดดี คือแยกออกนะเป็นสิบหกครั้งแต่บางคำพีบอกว่าเอาเซี่ยวที่สิบหกมาแยกออกอีกสิบหกครั้งแล้วเอาเซี่ยวเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกเอามานับว่าบุญที่เกิดจากการบูชาบุญของการเป็นจกักรพรรดิไม่ถึงเซี่ยวของเซี่ยวที่สิบหกนั้น อปมาโนพุทโธไหมอปมาโนธรมโมอัปมาโนสังโฆฉะนั้นการที่เราบูชาถวายพระเจ้ากายที่เป็นทานกุศลวาจาที่เป็นทานกุศลใจที่เป็นทานกุศลกายที่เป็นศีลกุศลวาจาที่เป็นศีลกุศลใจที่เป็นศีลกุศลต้องบูชานี่นะจนถึงกายที่เป็นภาวนากุศลวาจาที่เป็นภาวนากุศลใจที่เป็นภาวนากุศลเนี่ยโหจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบร่รู้ทาได้ นี่เอาแค่ศีลก่อนเนี่ยนะเพราะตอนนี้เราแค่เรียนแค่ศีลเนี่ยเราจะได้เห็นชัดแล้วต่อไปเนี่ยเมื่ออธิบายตรงนี้เสร็จถ้าบอกว่าปฏิบัตินั้นทํายังไงไปทำยันมีชัยก็ต้องยังมาถามพ่ อ, อมาใช่ไหมพอมาทําหน้าที่ใช่ไอย่างเงี้ยถือว่าบริบูรณ์ไหมทานศีลภาวนาเอาบริบูรณ์ไหมแบบเนี้ยอาจจะก่าวยอดนิดนึงเพราะที่แรกมาจะว่ารายละเอียดของศีลเดี๋ยวเอาไว้ก่อน คือต้องการจะพูดสรุปตรงนี้ก่อนแต่ี่เวลาอธิบายลงทานศีลและภาวนาแล้วเราจะได้สรุปประเด็นได้ทั้งกาย ก, กายกรรมกจีกรรมและมโนกรรมทั้งหมดได้ใช่ไหมแล้วสรุปประเด็นตอนนี้ก่อนดีไหมตอนนี้นั้นบุญนั้นหาประมาณไม่ได้ทีนี้นัตถิจิตเตปัสสันนำหิอัปกานามทัทขีนาแต่ถ้าคาเตวาสัมพุเทอทาวาตัสสาวาเกบอกว่า เมื่อจิตเลื่อมใสในพระธถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจผูรุทธเจ้าหรือสาวกของพระเจ้าทักษิณาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยใช่ไ้มนาทีจิเตปัสนนำหิอภกานามดักขีนาตถาคเตวาสัมบุเทอทวาตสสสาวเกบอกว่า เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทักษินาทานย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยย่อมไม่ชื่อว่าน้อยเลยแล้วก็บอกว่าเอหิมาตริอัมเหหิพิญโยพิญโยนี่นะมาเหมาเสบอกว่าตถาคตสาทารโยสุโคปุญญานมุตเถโยบอกว่า มาเถิดมาตะลีพวกเราทั้งหลายพึ่งบูชาพระบรมธาตุบูชาอะไรบูชาสถานที่ประสูติสัตสรูสเส ด, ด็ดับขันธปรินิพานบูชาธาตุเยดีอุเทิกเจดีบริโภคเจดีธรรมะเจดีของพระตถ า, าคตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเพราะการสั่งสมบุญนำเหตุนำมาเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเนอะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขสุขในการที่ได้มนุษย์สมบัติบัติไหม สวรรค์สมบัติไหมนิพพานสมบัติได้บรมสุขขังไหมได้บรมสุขด้วยนี่ไงมาจากการบูชาที่ถูกต้องติดทันเตนิพุเตจาิีเสมจิตเตสมังพลังเจโตปณิธิเหตุหิสตาขัดชัชนติสุขติงบอกว่าอะไรแม้พระตถาคตจะยังทรงพระชนอยู่หรือ พระตราคตสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามเมื่อจิตเสมอกันเมื่อศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเสมอกันผลย่อมเสมอกันนี่วัดตรงไหนวัดตรงไหนเนี่ยวัดจะสามารถทำศรัทธาให้เสมอกันได้ไหมพระศาสดายังทรงพระชนอยู่หรือสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วถ้าถามว่า ตอนที่เขาต้อนรับพระศาสดาเวลานิมนต์พระศาสดามามาประทับที่บ้านเขาเพื่อฉันพัฒนารเป็นต้นเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรรู้ไหมเขาคิดว่าพุทธเจ้ามาพระไตรปิดกมาด้วยไหมพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมไหมก็คือเป็นพระุทธเจ้าด้วยไหมเป็นพระุทธเจ้าเห็นไหมพระสงฆ์มาไหมชื่อว่าได้ต้อนรับพระราชนตรัยแล้วเอาสถานที่ตรงเนี้ย ที่นินมนต์พระมาชื่อว่านิมนต์พระไตรปิฎกมาด้วยไหมพระเจ้ามาด้วยพระธรรมมาด้วยไหมพระสงฆ์มาด้วยไหมนี่สถานที่ตรงนี้ชื่อว่าประดิสถานพระรัตนาตายแล้วแต่เราคิดไม่ออกตังางหากจะทํำไงจะคิดออกคิดออกหรือยังถ้าทําจิตให้เสมอกันผลเสมอการไหม นี่เราไปทำจิตให้ไม่เสมอต่างหากใช่ไหมเราทำศรัทธาไม่แข็งแรงทำวิริยะไม่แข็งแรงทำสติทำสมาธิทำปัญญาที่เกิดขึ้นไม่แข็งแรงผลที่เกิดขึ้นก็เลยไม่แข็งแรงถ้าทำให้เสมอการผลเสมอกันไหมอปมาโนพุทโธอปมาโนธโมอปมาโนสังโฆนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ทั้งบอกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะ เฮียที่ตั้งจิตไว้ดีนะทายกทั้งหลายทายกคือใครทายกทั้งหลายเราเป็นทายกหรือเป็นหรือเป็นปฏิกาหกอ๋อตอบหน่อยนั่งอยู่นี้เป็นทายกหรือเป็นปฏิกาหกเนี่ยเป็นเป็นทายกคือผู้ให้นะไหมแต่ในขณะเดียวก็เป็นปฏิกาหกของลูกหลานเป็นต้นด้วยของเพื่อนฝูงเป็นต้นด้วยใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าเป็นปฏิกขาหกที่บริบูรณ์หรือไม่ก็ว่ากันดีดีนะทีนี้บอกว่าทายกทั้งหลายได้กระทำสักการะบูชาในพระตถาคตเหล่าใดแล้วเหล่าใดนะแล้วไปสู่สวรรค์เนี่ยนะพระตถาคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากไหมเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากฉะนั้นทาเราเนี่ย เวลาเราประกอบทานกนะุศลทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยชื่อว่าได้ทําการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังอ่ะสักกายเราได้บูชาด้วยทานเนะทานทางกายทานวางวาจาทานทางใจอันนี้ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าไหมถ้าประพฤติกายกรรมที่เป็นศีลวจีกรรมที่เป็นศีลมโนกรรมที่เป็นศีลชื่อบูชาพระพุทธเจ้าไหม กายกรรมที่เป็นภาวนาวจีกรรมที่เป็นภาวนามนโนกรรมที่เป็นภาวนาชื่อบูชาพระตถาคตจเจ้าไหมเนี่ยชื่อบูชาแล้วเชื่อบูชาแล้วฉะนั้นเนี่ยที่เราทําทั้งหลายเนี่ยทําเพื่อเป็นพุทธบูชาเข้าใจอย่างแต่เนี้ยแต่เนี้เริ่มชัดเจนแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าใจการบูชานี่แทบแย่เลยใช่ไหมตอนนี้เราจะบูชาให้ยิ่งใหญ่แล้ว บูชาด้วยกายกรรมก็ได้ด้วยวจีกรรมก็ได้ด้วยมโนกรรมก็ได้ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมาเราบูชาแบบกระพองกระแพงกระพองกระแพ ง, พงวันหนึ่งไม่ ไ, ได้บูชาเลยไม่ได้เข้าถึงภาษาสาดาเลยใช่ไหมตรงนี้ก็คือบอกว่าทายกทั้งหลายได้กระทําการสักการะบูชาพระตถาคตเหล่าใดแล้วไปสู่สวรรค์พระตถาคตเหล่านั้นย่อมเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์ในปัจจุบันไหมเพื่อทิฏฐาทำไม่กระทประโยชน์เพื่อสัมปราคยิกระประโยชน์ไหมเพื่ออะไรอีกเพื่อปรมัตถประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพานเพื่อความสิ้นจากชาติทุกข์ชาาทุกข์พยาทิทุกข์และมรณะทุกข์เป็นต้นใช่ไหมแล้วเราได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมตอนนี้เรากําลังได้ประโยชน์จากการบูชาพระเจ้าไหมตอนนี้เราจะบูชาพระเจ้าโดยกายกรรมได้หรือ ย, ยังทานกุศลวันนี้ทำหรือ ย, ยังทางกายวจีกรรมทำหรือ ย, ยังที่เป็นทานกุศล มโนกรรมที่เป็นทานกุศลทำหรือยังกายกรรมที่เป็นศีลกุศลทำหรือยังวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลวจีกรรมที่เปเออไม่ใช่กายกรรมกายกรรมที่เป็นศีลกุศลทำหรือยังวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลมโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเอาใครทำกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลบ้างเอาใครทำออต้องเทต่อวิธีทายังไง กายกรรมที่เป็นภาวนากุศลนี่ยังไม่ได้อ่าทําไงเอากายกรรมเป็นทานกุศลทําไงอ่ะลองใช้ตอบหน่อยดิทําไงดีอถ้าเป็นภาวนายัางไงอ่ะอยูใส่บาตรเนะี่ยเดินไปใส่บาตรเป็นกายกรรมยังไหมเป็นภาวนายัางไงอ่ะภาวนายังไงฮะ ตอนนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อ๋อเจริญพุทธานุตตรไปด้วยใช่ไหมนั้นเป็นสมถะภาวนานะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของการใส่บาตรไหมมือมือที่ตักข้าวใส่บาตรเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมอาหารที่ใส่บาตรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ละลายดอยังถามอาจารย์มีใจที่ออกหรือยังเ ท, ที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นทุกขะเป็นโศกน เ, นเนี่ยมีความแปลปวนเป็นธรรมดาบังคับก็ไม่ได้เนาะอย่าเพิ่งออกให้อยู่ น, น, นานอาหารเนี่ยอร่อยเหลือเกินได้ไหมไม่ได้เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปถึนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทางกายเป็นกายกรรมที่เป็นภาวนากุสเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปทางวาจาที่กล่าวในขณะให้ในที่ในขณะให้ พิจารณาวาจาใช่ไหมวาจาท่านทั้งหลายใส่บาตรเลทต่างๆท่านทั้งหลายมาใส่บาตรเตี้าท่านทั้งหลายยืนอยู่นี้วาจาที่พูดไปเหล่านั้นเสื่อมไปสิ้นไปหมดหรื อ, อยังเสื่อมไปสิ้นไปหมดหรือยังวาจาในขณะที่ใส่บาตหมดแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนาะและจิตใจอ่ะคิดคิ ด, คดนอบนอบ้อมในขณะนั้นหมดดับไปหมดแล้วสิ้นหมดแล้วกายกรรมวิญญากรรมมโนกรรมเป็นทานกุศลได้จริงๆเนาะ อันนี้พิจารณาแบบคร่าวๆแต่รายละเอียดเยอะนะอันนี้ตั้งหลักให้ถูกตรงนี้ก่อนใช่ไหมตั้งหลักกายกรรมที่เป็นทานกายกรรมที่เป็นศีลกายกรรมที่เป็นภาวนาวจีกรรมที่เป็นทานวจีกรรมที่เป็นศีลวจีกรรมที่เป็นภาวนามโนกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นศีลมโนกรรมที่เป็นภาวนาจอบ้างยังทานศีลภาวนาจบแล้วนะจบไม่จบ ยังไม่ละเอียดใช่ไหมเอาศีลก่อนดีั้มอ๋อหมายถึงอะไรใช่ไหมอินทรีย์ก็จะหมายความอย่างนี้ว่าคำว่าเสมอส่วนหนึ่งดูที่ว่าถ้าเรานั่งต่อหน้าพระพักของษาสดากับนั่งต่อหน้าพระเจดีย์ศรัทธาเท่ากันไหม ระ ห, หว่างนั่งต่อหน้าพระศ า, าสดากับนั่งต่อหน้าพระเจดีย์ที่ไม่เท่าเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจว่าจริงๆพระเจดีย์นั้นเป็นพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าไงดูก่อนใช่มหมอาโนนทมแล้ววินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมแล้ววินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเรา พระพุทธรรมวินัยพระศาสดาแสดงไว้เท่าไหร่8ปดหมี่พันพระธรรมขันเป็นพระศาสดาไหมวินัยยปิโดกสองหมนึ่งพันเป็นพระศาสดาไหมพร่ำสอนอยู่ไหมตอนนี้พร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาพระสุตตันยปิโดกสองหมนึ่งพันพระธรรมขันเป็นพระศาสดาไหมกำลังพร่ำสอนอยู่ไหมพร่ำสอนอยู่แต่ใครจะได้ยินหรือไม่พระอภิธรรมปีโดกสี่หมสองพันพระธรรมขันเป็นพระศาสดาไหมกําลังพร่ำสอนอยู่ไหมสรุปแล้วพระศาสดา8ปดหมสี่พันองค์กำลังพร่ำสอนเราอยู่ ทีนี้ภาษาสดาสอนว่าอย่างไรสถานที่ประสูนยสถานที่จัดสรู้สถานที่แทงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันทบริพานสถานที่ภาษาสดาทรงบริโภคใช้สอยจักเป็นศ า, าสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราสำนวนนี้อัฏถานนี้อ่านออกไมยอเธอควรไปแรมควรไปดูควรให้เกิดสังเวคะนั่นล่ะคือเป็นศ า, าสดาไปแล้ว พุทธเจดีทั้งหลายธรรมะเจดีทั้งหลายอุเทสิกเจดีทั้งหลายบริโภคเจดีทั้งหลายจากเป็นาศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราเธอทั้งหลายจงไปเฝ้าและทำศรัทธาเสมอกันได้ไหมเราข้อมูลไม่ถึงดังาสัตสตินซีจึงไม่เสมอถ้าสัตทินซีเสมอเราจะเท่ากันนะใช่ไมไม่เห็นอีกไอกลอม ไม่เห็นศาสดาประทับอีกเห็นไหมคือไม่ยืนยพอจะไม่ใช่เหมือนภรษาศาสดาประทับจริงๆเลยเพราะภาษาศาสดาบอกไว้ว่าภาษาศาสดาบอกไว้แบบนี้ อย่าใช้คำว่าเหมือนเนี่ยของเหมือนไม่ใช่ของจริงนะใ ช, ใช้เหมือนได้ไหมใช่ไห <c oughs> เดียวกัน <c oughs> ให้ให้เท่ากันกับที่มีภาษาสดาอย่างเ <c oughs> พระาะภาษาเราบอกว่าภาษาสดาปรินิพานเป็นหนึ่ง แต่พระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์จะทำกิจแทนเราเข้าใจคำนี้ไหมเราปริญญาพันแค่หนึ่งเดียวแต่แปดหมืนสี่พันองค์จะทำกิจศาสดาคแค่นี้แหละนี่คือพุทธพจน์อัตถะของพุทธพจน์นี่พรบริษัทบอกว่าไม่เข้าใจคำนี้ไงก็เลยทำศรัทธาให้ดอบลง ทำศรัทธาให้ดับลงไอ้บอลอ๋อคือ่งนี้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผลเท่าไหร่ทำบุญกับพระเจดีย์พระาธาตุผลก็เท่านั้นถ้ามีข้อแม้นะถ้าจิตเสมอกันผลเท่ากัน เขาไปเฝ้าพระเจ้าไม่ใช่ไปเช่าไปไ ป, ไปดูแลคนอื่นไปบูชาพระเจ้าก็ น, น, นี่เราไม่ไม่เราไม่น้อมพระเจ้าเหมือนอย่างนี้นะ <c oughs> เขาให้ไปไหว้พระเจ้าแต่ไปดูแขกสกรปรกเนี่ย <c oughs> ไปดูเขาเปื้อนกันอย่างเงี้ยอันนี้ผิดที่อีกเขาต้องการให้ไปเฝ้าพระเจ้าเรยอไปดู ไปดูคนขอทานไงไปดูทำไมใช่ไหแเราดูได้จริงแต่ก็ให้ดูว่าเรายัางไม่พน้นสภาพอย่างนั้นนะ่ะคือเราสนใจได้แต่ไม่ใช่ไปติดใจใช่ไหมเราต้องดูต้องนั่นแหละเอานี่นะถ้าเราเอาผ้าราคาหลายพันหลายหมื่นเลยเนะี่ยไปบูชาหม่มพระรูปพุทธิย่าเนี่ยพระปางที่ปรินิพานห่มปุ๊บ มีคนกระชากไปต่อหน้าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยบุญสําเร็จได้ ย, ยังสําเร็จแล้วแค่นั้นแหละเหมือนอโยเมาอาหารไปถไหวท่านอาจารย์มีชัยท่านอาจารย์มีชัยพอรับเออว่างตูมต่อหน้าเลยเงี่ยบุญสําเร็จได้ ย, ยังทําไมท่านทรมานใจโยมโอ้ทำไมท่านโอดกับโยมกินอยู่ นี่ให้แล้วโลภ้าไม่ถูกทำลายไงก็จะยั ง, ยงเจตนาเราสมเร็จแล้วที่ท่านทำมันเป็นเรื่องท่านผิดป็นเรื่องท่านถูกเป็นเรื่องท่านใช่ไหมแต่เราได้กุศลแล้วเราแปลบุญหรือแปลบาปเอเอเนี่ยต่อไปก็วางจิตให้ถูกถ้าไปเสียตรงนั้นก็เรียกจิตเสมอกันไหมจะเป็นเอางี้นะเอามาเอามามีโยมถวายผ้า เขาบอกท่านถวายผ้าจะได้ไปฝากโยมมาอิ่งทำไมให้พาเอาผ้าไปฝากโยมผิดวินัยใช่ไหมผิดวินัยนี่แต่เขาไปเอาผ้าอย่างดีเนอะเป็นผ้าที่เขาซื้อเป็นผ้าลักษณะแบบเนี้ยเยอะหมดเลยผืนละเยอะแพงมากเขาถวายนี่ท่านจะได้ไปแจกญาติโยมอมาวิ่งโยมให้อมาหรือเปล่าถูกให้ให้ขาดไม่ขาดอุ้งนเรียบร้อยอามาก็เดินไปที่ที่ทำเอกัสถูกใช่ไหม มาก็เป็นปูหมดเลยไปปูไ ป, เ, ปเสร็จก็กล่าวบูชาถวายเป็นพุทธบูชากล่าวภาลนาชั่วโมงกว่าภรลนานะภาลนาบอกว่าบอกว่าพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกนี่เป็นสัจญานใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขูปัญญาจักขูยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเป็นสัจญานเป็นสัจจะ เป็นความจริงของพระธถรมคตเป็นสัจจะเป็นความจริงของพาริยาเจ้าแต่ไม่ได้เป็นสัจจะเป็นความจริงของปุถุชนทั้งหลายอย่างข้าพเจ้าดังนั้นข้าเ จ, เจ้าจะเดินตามรอยบาดภาษาสดาเพื่อเดินเข้าหาสัจจะเพื่อจะพิจารณาให้เห็นสัจจะความจริงของภาษาสดาคือทุกสมูทัยนิโรธมักให้ได้เนี่ยภาษาสดาตรัสว่าจักขู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธามทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่า ทุกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้สมูทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทําให้แจ้งมักเป็นกิจที่ควรจเจริญภาษาสดา Air ไม่วิพิลิตในกิจเหล่านี้เลยทรงรอบรู้ทุกทวงละสมู ท, ท, past, ทัยทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมมักยังไงพระองค์ทํากิจเหล่านี้ข้าพเจ้าก็จะเดินตามรอยบ า, ราตรภาษาสดาเพื่อทํากิจในการกําหนดรอบรู้ทุกตามภาษาสดาเพื่อจะละสมกู้ทุกตามภาษาสดาเพื่อจะทํา นิโรธให้แจ้งเพื่อจะอบรมมรรคเนี่ยนะพระศาสดาตรัสว่าทุกบอกว่าจากขู ญ, ญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทุกแตถาคตรอบรู้หมดสิ้นแล้วสมูทัยพระองค์ประหารได้เป็นสมูเฉทประหารแล้วนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วในกระแสจใจของพระองค์แล้วแลวทํานิโรธให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งตามด้วยมรรคพระองค์อบรมให้บริบูรณ์ให้ เสร็จกิจแล้วในมรรคทั้งสี่ประการแล้วสอนสัตว์อื่นให้ประชุมอริยมรรคมีองค์แปดบรรลุพระนิพพา น, านตามพระบรมศาสดาด้วยข้าพเจ้ามีศรัทธาเชื่อมั่นในตถาคตาโพธิศรัทธาเชื่อมั่นไม่วันไว้มีจิตพงศสใสมีใจเด็ดเดี่ยวมอบกายถวายชีวิตแด่พระาศาสดากราบเบื้องบาทรพระาศาสดาเพื่อจะกระทำกิจเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นตามพระาศาสดาจะรอบรู้ทุกจะละสมุทไทยทำนิโรธให้แจ้งและ อบลมอรีมักให้บริบูรณ์ให้ได้ขอปฏิญญาต่อพระศาสดาเนี่นะอามาก็บพัลานาอย่างเงี้ยพอพาลานาไบเสร็จล้วก็บูชายังเดิอนออกมาได้นิดเดียวเขาก็แย่งกันเต็มเลยไม่เห็นเป็นไรจิตเราเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเราได้นอกน้อมบูชาแล้วศรัทธาเสมอกันผลเสมอกันนะว่าไงใช่ไหมผลเสมอกันเนี่ยวิิยาเสมอกันเนะ่ ใช่ไหมผลก็เกิดขึ้นจากวิริยาเสมอกันเราสําคัญหมายจริงๆเลยว่าพระศาสดาประทับอยู่อ้ำมาก็เดินวนไปแต่ละรอบแล้วก็ไหวไหมนี้ทุกก็ไล่ไปตามลําดับพลนาก็เดินไปนี้เหตุให้เกิดทุกใช่ไหมทุกข์ขั้สมุทัยอ่ะเดินไปไหวอีกทิศหนึ่งนี้ทุกนี้โลดนี้ทุกข์ขันธ์โรธคามินีปฏิปทารอบสามอาการสิบสองเขาไวว่า ก็ไหว้เนะยประทักษิณเนี่ยรอบหนึ่งไหว้สี่ทิศไงรอบที่สองอีกสี่รอบที่สามอีกสี่สี่สามสิบสองเห็นไหมเพราะเราเชื่อมั่นว่าพระศาสดาเนี่ยรอบรู้สัจจยานกิจยานกัตยานในรอบสามอาการสิบสองเรามีศรัทธานในพระตถ า, าคตเจ้าเรามุ่งมั่นเราเชื่อมั่นเรามีใจเด็ดเดียวเราตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนเพราะเรามี เพราะเราอยู่ในประเทศที่สมควรเพราะเราครบบัณฑิตเพราะเราฟังพระธรรมเพราะเรามีโยนิโสมนัิการเพราะเราประพฤติทำตามสมควรแก่ทำนี่แล้วก็ทำศรัทธาเกิดอย่างมุ่งมันนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เดินประทักถิ่นแล้ไปทาปไําอย่างนี้บ้างเรไม่กล้าอยู่ ถ้าไม่กล่าวอย่างนี้เราจะทำให้ศรัทธาลดแล่นในกระแสใจได้ใช่ไหมต้องไปปฏิญญาพูดเลยต้องไปตั้งใจจริงๆเพราะเรามีอัตภาพสุดท้าท่านบอกว่าท่านทั้งหลายท่านได้อัตภาพอันอุ ก, กฤิตแล้ว นี่อัตภาพนี้อุกฤษหรือยังเนี่ยสูงสุดหรือยังสูงสุดแล้วจะหมดโอกาสที่ได้อัตภาพที่อุกฤษอยู่แล้วนี่จะหมดโอกาส ก, ก, ก, กันอยู่แล้วในลมหายใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยถามบอกว่าเป็นมนุษย์นี่พ้นจากอัคณาทั้งแปดไหมอัคณาทั้งแปดไม่ไปเกิดในสัตว์นรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกาย ไม่เกิดเป็นอสัญญาศาสตร์ใช่ไหมไม่เกิดในเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เกิดเป็นมารทั้งหลายไม่เกิดเป็นคนบ้าใบาบอดหนวกไม่เกิดในปัจจันต์ประเทศไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราพ้นจากขณะทั้งแปดเนะี่ยแต่นี้เรามาอยู่อักขะณะคือขณะที่เก้าได้เป็นมนุษย์ด้วยพบพุทธศาสนาด้วยได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมด้วยแล้วตอนนี้พระธรรมของพระศาสดาก็ยังไหลเฟื่องปูอยู่ด้วยเนี่ยถามว่า ได้ฐานะอันอุกฤษณ์นี้เราจัหาจากที่ไหนแล้วจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วหมดแล้วโอกาสเช่นเนี้แทบจะไม่มีแล้วโอกาสเดียวชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวตัวนั้นเน่ยรักษากระแสชีวิตไว้อธิษฐานขอความคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายจากพระรัตนตรัยว่าขอให้เข้าถึงพระธรรมก่อนเถอะ ที่เราไมใ่ใจจะขาดเพราะข้าพเจ้าไม่มีอัตไม่มีโอกาสข้างหน้านะหวังยากแล้วใช่ไหมมีโอกาสนี้เท่านั้นคิดว่าจะไปศึกษาพระธรรมคําคสอนในสวรรค์หรือแล้วเพลิดเพลิน ม, มากกันาดมาในโลกมนุษย์เนะยกว่าจะพบพุทธศาสนาอย่างทองแท้นี่นะเล่นอายุ ก, กับเราไมใ่ใจขาดเนะอันนี้ขนาดไม่เพลินเท่าไหร่นี่นะถ้าไปบนสวรรค์นเนี่ยความเพลิดเพลิน ม, มากกว่านี้หลายพันเท่าอ่ะแล้วคิดเลย สติอ่อนๆอย่างเราเนี่ยจะระลึกได้เพื่อนสกิดยังถองเพื่อนเลยผไม่เอาเจียวเที่ยวใช่ไหมนี่เรื่องจริงนะอันนี้ขณะจะชวนเข้ามาฟังธรรมยังเรื่องปัญหามากมายเอางี้ขนาดเป็นมนุษย์นี่เนี่ยความทุกบีบคั้นขนาดนี้ปัญญายังไม่เกิดเลยอ่ะแล้วจะไปเกิดเป็นไม่ต้องพูดถึงอบัยศัตร์นะอบยศัตระจบเกมแล้วถ้าเป็นเทวดานะจบ ถ้าเทวดาที่มีอัตยาศัยเพราะว่าเอางี้นะพระนี่นะเคร่งคลัดมากปฏิบัติในศีลนกะุศลศีลน่ะเคล้งคลัดมากไปดูในสักการบรหาสูตรในทีกันิกายถ้าฉบับมหามกุฎเนะี่ยดูจะมีฉบับจะมีอัตรกระถาทีกันิกายเพราะว่าในฉบับมหาจุฬาถ้าเราอ่านภาษาไทยในะอัตรกรถายังไม่แปลมาใช่ไหมแปลแก่มาชิมาิกายไม่กี่เล่มเนี่ยตอนเนี้ยดูฉบับมหามกุฎเนะ่ยยังมีอัตรกระถาไปดูในสักการบรหาสูตร ที่พระตถาจารย์เล่าเขาไว้เล่าตอนภิกษุสามรูปเข่งคัดในศีลสมมติว่าอามาสมมติอสมมติท่านอัจารย์มีชายเข่งคัดในศีล น, นี่เนี่ยเออในท่านก็เข่งคัดดีนี่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยแต่ติดเนี่ยแต่พอก็มีอุบาสิกาใช่ไหมโอ้ยศรัทธาการาดเท้าท่านอุปถากดูแลอุบาสุบาสิกา ด, ดูแลตลอด นี่ต่อมาเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยอาศัยทำบุญต่อมาไปเกิดเป็นเทพระบุตรเพราะเธอรังเกียจเพศระสตรีใช่ไหมนุ่นเป็นลูกของทา้าวสกัดแล้วได้บรรลุด้วยได้คุณธรรมด้วยนี่ท่านก็เอ๊ไปพิจารณาใช่ไหมพอตายไปแล้วเนี่ยนึกถึงเออพระเทละที่เรานับถือสามรูปไปเกิดที่ไหนเนาะเอา้าอยู่ชั้นจาตุมนุ่น ไปเป็นคนทันเอากระดูกแผนคอกำลังร้องลามทำเพลงอยู่นู่นโอ้โหท่นก็หาะมาก็รู้สึกกันทำไมอย่างนี้พระที่เรานับถือทำไมมันน้อมใจมาแบบนี้ไงไหมทั้งที่รักษาศีลก็บริสุทธิ์เนี่ยนะพอกลับมาเวสเซทท่านก็บอกนี่ท่านใช่ไมทำไมท่านมายินดีกับสภาพอย่างนี้พระบรมศ า, ศาสดาใช่ไหม ท่านบวชเป็นพระมารักษาศีลอย่างเข่งทัดพระสัสดาก็สเสด็จบัติเกิดขึ้นท่านอยู่ในแพที่อุกริตแล้วพระสัสดา ก, ก็แสดงธรรมอยู่แล้วท่านเอาหน้าไปไว้ไหนด้วยสำนวนนั้นะใช้คํานี้เลยนะเอาหน้าไปไว้ไหนก็หมายความว่ า, วาในขณะที่พระบรม ศ, ส า, ศสาสดาแสดงธรรมอยู่นั้นเน่ะทําไมท่านเบนหน้าไปทั้งอื่นทําไมท่านส่งใจไปทั้งอื่นจะกลับอยู่เรื่อยเนี่ยทําไมต้งส่งใจไปทั้งอื่น ไม่เป็นพ่อะอะไรท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนอุจกันอายมากโดนท่านก็นึกในใจนะบอกโอ้โห و, ใครเนี่ยทําไมมาตอกเราเปี้ยพิเพี้ยในใจบอ ก, บอกทั้งขุดทั้งโคกเราเนี่ยนะท่านก็มันนึกแล้ลึกได้โอ้วตายแล้วเนี่ยเรามาจากท่าท่านก็ย่างฮิริโอตปะต่างๆให้เกิดขึ้นท่านก็มานาัสจิตการทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นท่นพิจารณาท่านได้บรรลุนเนี่ยนะใช่บรรลุได้เพราะมีคนไปหัวว่าแรงมาก เขาไปจี้แล้วว่า ว, ว่าไปไหนก็ว่า ว, ว่าอยู่นั่นแหละตำหนิมันก็สะดุ้งใช่ไหมระลึกได้แต่ความเพิดเพลินก็หายะเข้าวสองรูปเนี่ยท่านก็พิจารณาไปเสร็จนุ่นตายันถ ม, มโลกเป็นบ้านาคาลูแต่บรรลุสามมรรคแต่อีกองคหนึ่งฟังแล้วหมื่นหมืนก็เลยอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่ได้บรรลุเนี่ย<ม>เห็นไหมเนี่ยคิดไม่ออกมันห่วงเพลินห่วงเล่นเนี่ยเข้าใจไปยังชอบร้องเพลงเกือใจท่านน่ะมีศีลไง แต่ท่านน้อมไปที่จาตุ้มเห็นไหมท่าคนมีศีลเนี่ยปรารถนาก็เลยเลยนี่อัตยาศัยท่านน่ยชอบชั้นนี้ก็เลยน้อมไปตรงนี้เลยกลายเป็นนักร้องเลยเดี๋ยวนี้เป็นคนทันไปเลยเป็นนักร้องเลยระวังไว้ในะพวกนักชอบร้องเพลงเนี่ยรักาสาวศีลด้วยใช่ไหมเป็นน้อมไปชั้นไหนมันไปชั้นนั้นนี่ยไม่ได้น้อมบรรั่วะน่ากลัวไหม ไม่ว่าความปรารถนาของผู้มีศีลสําเร็จได้ฉะั้นตรงนี้ก็มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เห็นอะไรได้เห็นว่าการที่เราตั้งศรัทธาไว้ในพอบรมศาสดาเนี่ยนะทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะเห็นนะว่าการตั้งศรัทธาไว้ในพระบรมศาสดาอย่างนี้เขาเรียกบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองทีนี้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยที่เขาเรียกว่า บูชาเนี่ยเอามาพิจารณาถ้าสงเคราะห์นะบอกว่าถ้าสุขโสมนัสอิทธารมตัญหาและวิปลาสในห้าอย่างสุขโสมนัสจะมีสองอย่างนะสุขโสมนัสที่อาศัยที่อิงกรรมคุณกับสุขโสมนัสที่อิงเนคขมะถามบอกว่าในกรณีที่สุกโสมนัสที่อิงกรรมคุณเนี่ยเรียกว่าการบูชาไหมไม่เรียกว่าบูชาเห็นไหม แต่ถ้าสุกสมนะที่อิงเนคขมะอันนี้เขาเรียกว่าบูชาฉะนั้นเรามีความสุขเกยยกตัวอย่างเช่นให้ทานแล้วมีความสุขรักษาศีลมีความสุขแล้วก็เจริญภาวนามีความสุขสังเกตว่าเป็นตันหาไหมถ้าเป็นตันหาเป็นไม่ใช่บูชาเพราะจริงๆไปให้ทานก็มีความสุกนะมึงคนชอบให้ โวนักเกตทั้งหลายนักสังคมสงฆ์ทั้งหลายนี่เขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปต่อไร น, นะจริ ง, รงๆแล้วโดยหลักการจริงๆนะเขาก็ชอบให้กันทั้งนั้นแหละพขามีกิจกรรมรักษาศีลก็ไปรักษาศีลกันใช่ไหมมายังพันเตเต็มสลาทั้งนั้นแหละวิสงุวิสงุลคณะถ่ายาติตะระเนนันสหปัญจศีลานิยาจาม่านี่ไหมตากปาณาธิปาตาเวรมนีสิกขาประทางสมาธิยามีจะยุงกัดจะตบเดียวนั้นก็มีใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นกิจกรรม กิจกรรมโหวันนี้ได้บุญเยอะเลยกลับมาบุญโอปใช่ไหมพอรับเสร็จแล้วก็ลงจากศาลาแล้วก็สนุกกันต่ออ้ไอย่างนี้เชื่อบุญไหมนี่ไงเราเราต้องสุขโสมนัสอิฐารมตันหาวิปลาสแต่มันแยกเป็นสองอย่างสุขโสมนัสน่ะมีอยู่สองอย่างคือสุขโสมนัสที่อิงกามาคุณเ็ละเคหาสิตาสุขโสมนัส สุคโสมนัสที่ไม่อิงกรรมมาคุณเขาเรียกว่าเนคขมมะเนคขมมสิตาสุขโสมนัสโสมนัสที่อิงเนคขมมะคือการออกจากการรมเกินออกจากการรมออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ออกจากกรรมธรทำทั้งหลายเนี่ยทีนี้ในอิทธารลมเนี่ยมีสุดสองอย่างนะเป็นสภาวะอิทธารลมอารมณ์ที่ดีโดยสภาพเช่นพระพุทธเจ้าเนี่เป็นอารมณ์ที่ดีไหมใช่ไหม พระธรรมพระเยทรงเนี่ยส่วนปริกราปะนี่อารมณ์ที่ดีโดยการนึกเฉพาะบุคคลเช่นอารมณ์บางอย่างในบุคคลเขาไม่ไม่ดีเลยนะไม่ดีสําหรับบุคคลบางคนเลยนะตัณหามีสามอย่างไหมกามตัาหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเนาะตัณหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยก็กกามตัาหาเนี่ยยินดีพอใจในรูปได้ไหม ย, ยินดีพอใจในเสียงในกลิน่นในรสในผลิภัณฑ์ในธรรมอารมณ์เป็นหกไหม เพราะว่าตัณหาแยกเป็นหกไหมวิปวัสสนาตัณหาอีกหกเท่าไหร่เนี่ยสามหกเนี่ยเป็นเท่าไหรด่ดีก็สรุปก็คือการกรณีเห็นว่ารูปารม์สัตตารมกันตารมลาสารลมโผลทพาร ม, าาร ม, าารมอยู่ไหมอารมณ์หกก็การสามปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็สันดานสองภายในภายนอกฉะนั้นตัณหาสามคูณอารมณ์หก อารมณ์หกก็คูณการสามอดีตอนาคตปัจจุบันการสามก็คูณสันดานสองภายในและภายนอกกลายเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดเนี่ยสภาพของตันหาอันนั้รายละเอียดเพื่ไปว่ากันใครคิดไม่ทันไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวตัวเลขมีอยู่ในเทปดีไหมเดี๋วก็ตามฟังถ้าไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็ทิ้งเลยอันนี้พูดตัวเลขไว้เราจะเดี๋ยวไปจําตัวเลขที่ไหนได้ต้องการให้เราฟังทําซ้ํา ก็คือตรงนี้ก็คือมาศึกษาในชั้นของคำสอนเนี่ยนะถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าไอ้คาว่าอามะอามะเนี่ยนะหรือเกี่ยวในเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของอามิตรทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยมันทําให้เกิดกลิ่นคาวของกิเลสคือราคะโทสะโมหะมักลิ่นกลิ่นคาวฉะนั้นสภาพของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่ไปสัมผัสกลิ่นคาวของกิเลสนี่เราไม่ได้สัมผัสกลิ่นของศรัทธา สีสุตาจา่าคาบัญญาถ้าวันใดวันหนึ่งนะสภาพเวทนาขันสัญญานี้เอาถ้าพูดถึงนักเรียนปรัชญาธรรมนี้พัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตินสีมรสิกาวิตกวิจารอธิมโมกวิเดียปีติฉันทะเนะสภาพของอัญญสมานะธรรมเ่าเานี่ยนะวันใดได้ไปคบกับศรัทธาสติหิริโอตปอาอะโลพาที่ไปครบกับสัจทินสีที่มี ตถาคตาโพธิสถานะพบมากๆไปไปกล่อมเรามากๆนักเข้าเขาจะทิ้งกลิ่นไอของกิเลสใช่ไหมเขาจะมาเขาจะได้กลิ่นของศรัทธาที่เป็นไปในคุณของพระเจ้ากลิ่นศีลกลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาเนี่ยเป็นรสชาติที่มีความสุขขมกับวีรภาพมากนี่เราก็มาได้กลิ่นหยาบหยาบกลิ่นจากการได้กินอาหารกลิ่นจากการได้นุ่งเสื้อผ้า กิ่นจาการได้ที่อยู่ตื่นจากการที่ได้อาหารได้ยาตื่นจากการได้เห็นรูปแต่ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอันนี้มันมีกลิ่นขาวของกิเลสนี่พวกผัสสะเวทนานี่ธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาสวยรสของอารมณ์ก็ไปเสวยแล้วติดกลิ่นของกิเลสนี่เราออกไม่ได้แต่นี้มันออกไม่ได้แต่เนี้ยมันยังไม่เห็นข้อต่างระหว่างกลิ่นของพุทธคุณกับกลิ่นของกามคุณใช่ไหม อย่างเช่นวัตถุกลามกับวัตถุทานเนี่ยอ ก, กลิ่นของวัตถุทานยังไม่ได้เราได้แต่กลิ่นของวัตถุกลามใช่ไหมกลิ่นศีลยังไม่ได้กลิ่นสมาธิกลิ่นปัญญาเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าตราบใดเราสามารถที่จะพัฒนาอันเนื้สมานะเนี่ยให้ไปอยู่ในกลุ่มของศรัทธาต้นต้นได้เมื่อไหร่นะแล้วเขาเริ่มเสพคุณศรัทธามากๆก็เหมือนที่บอกว่าปรินามิตาเออมาเขอไป เมียนยมิตาคือตั้งอัธยาสัยบอกว่าไม่ว่าจะเจอรูปารมสัทธารมกันตารมและสารมโพธารมดามารมเนี่ยข้าพเจ้าจากให้กุศลเท่านั้นเกิดการเจริญกุศลเนี่ยเลือกให้เกิดได้นะจะให้มหากุศลโสมนัสยานะสมยุทอะสังคาริเกิดก็ได้ปรุงแต่งให้เกิดได้ถ้าไม่ทําอย่างนี้ได้บรรลุธรรมไม่ได้นะอย่าลืมนะคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยเพราะเขาสามารถปรุงแต่งให้เกิดได้จากการฟังเนี่ยเป็นสังคาริใช่ไหม เอาไปไข้คว ร, รื่อยๆเืยๆเป็นอาสังได้ไหมเอาฟังเล่เชยๆแล้วพัฒนาเป็นสมณะได้ไหมเป็นยานวิบยุทธพัฒนาเป็นสมยุทธได้ไหมมียานปัญญาประกอบแล้วก็วิจัยทะลุทะลวงได้มันเกิดขึ้นจากการเห็นไมตั้งอธัธยาศัยนี่คือเรื่องมยามิตาปริยาปรินามิตาก็คือน้อมจิตน้อมจิตเข้าหากุศลยอมดูต้นไม้ออยอมดูไม้อะยอมดูเหล็ก เขาดัดเขาโค้งได้หมดเลยจิตเนี่ยดัดได้ฝึกได้มันคุ้นเคยกับบาปแล้ว ก, นออ ก, กาา็น้อมออกจากบาปข้าหากุศลน้อมออกจากบาปหากุศลนะเขาก็ชํานาญแล้วก็แล้วก็สมุทาใจแล้วก็คือฝึกให้คุ้นเคยเงี้ยทําให้คุ้นเคยกับศรัทธาให้เขาคุ้นเคยกับสติหิริโอตปะอโลพ า, าโทสะคือความไม่โลภความไม่โกรธให้คุ้นเคยกับปัญญา ให้คุ้นเคยกับสภาพที่มีความซื่อตรงใช่ไหมความคล่องแคล่วของจิตและเยสิกทั้งหลายเนี่ยให้เขามีสภาพมีความไปไปเสพคุณคุณธรรมเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นให้อาหารให้ปัจจัยมากขึ้นนะเข้าในาเข้าเข า, าก็จะน้อมไปในทางกุศลนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละเป็นหลักที่บอกว่าอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมฟังอริยสัจใช่ไหมครบสัตร์บุรุษฟังอริยสัจพิจารณาเกิดโยนิโสมนสิกการพิจารณาเหตุ พิจนารณาผลพิจนารณาอนิจจธรรมทุกธรรมอนัตตธรรมอสุภะธรรมพิจารณารูปธรรมพิจารูปธรรมนามธรรมเหตุผลอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะพิจนารณาไป็อย่างนี้ใเข้านะครั บ, นะรบก็เข้าหลัเใช่ไหมเป็นอย่างนี้นี่เกี่ยวเรื่องการฝึกฝนระยะเวลาไม่มากใ ห, ถ ห, ใหถ้ถามได้เลยอใครจะถามอะไรถามได้เลย